ขอโมทนากับเราท่านทั้งหลายนะีตั้งใจในการที่จะศึกษาพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนนี้ตามหัวข้อเรื่องก็คือว่าปารัในเรื่องที่บอกว่ากว่าจะเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยหรือกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในเส้นทางการสร้างบารมีของพระบรมศาสดานะี่ที่ใช้คําว่ากว่าจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ย แล้วก็มาศึกษาคำสอนของพระ อ, องค์นะว่าการที่พระบรมศาสดาได้สั่งสมอัธยาสัยในการที่จักเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยในคำเริ่มต้นท่านในชั้นของคำพีสมันตะคำพีสมันตะภาษาธิกาอกรกถาท่านพาตกถาจาร์ท่านจากนอบน้อมพระผู้เมียภาคเจ้าว่า เวลาท่านจะเริ่มแต่งพระคัมภีรหรือจะเริ่มพราณาหรือกล่าวพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยบราณาจารย์ทั้งหลายท่านก็จะกล่าวนอบน้อมพระผู้มีภาคเจ้าทําไมท่านต้องกล่าวนอบน้อมพระผู้มีภาคเจ้าเพราะว่ากุศลจิรุบา ท, ที่มีเจตนาเป็นประธานกุศลจิรุบา ท, ที่มีปัญญาเป็นประธานหรือที่มีศรัทธาเป็นประธานเป็นต้นก็แล้วแต่สถานะนั้นกรณีแห่งการที่จิตมุ่งมั่น ในการที่จักนอบน้อมด้วยกายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมด้วยความเลื่อมใสยอย่างยิ่งนั่นแหละฉะนั้นกุศลจิตุบา ต, ตรงนั้นที่เกิดขึ้นในการที่นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดานั้นเขาเรียกว่ากุศลจิตุบาทที่เกิดขึ้นนะถ้าถามว่ากุศลจิตุบาทที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะอะไรกุศลจิตุบาเกิดขึ้นมานั้นน่ะเกิดขึ้นมาได้เพราะโยนิโสมนสิการ ฉะนั้นตัวโยนิโสมนัสิกาเนี่ยคือการพิจารณาโดยอุบายแยบขายใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นไปในส่วนของอุปายะมณสิการคือการคิดตามอุบะเคยก็หมายความว่าคิดให้สอดคล้องกับสัจจะสี่หรือว่าการณมณสิการก็คือพิจารณาเกี่ยวในเรื่องของสาวถึงเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นๆได้หรือจะเป็นในลักษณะของคําว่าปฐมณสิการก็คิดตามทางของในสิ่งที่ถูกต้องคือไม่คิดสับสนไม่คิดวักวนติดพันเรื่องเนี่ย หรือเป็นไปในส่วนของปาธกรรมนาสิกานคือคิดให้เกิดศรัทธาได้คิดให้เกิดวิริยะคือความเพียรที่ถูกต้องได้คิดให้เกิดสติคือความระลึกได้อย่างมั่นคงนคิดให้เกิดสมาธิคือความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคิดให้เกิดปัญญาเนี่ยคนที่มีความมนสิกานในการที่จะน้อมวิธีคิดต่างๆเหล่านี้ได้นั้นเขาเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการ ในที่นี้ท่านถึงบอกโยนิโสมนสิกานี่เป็นเหตุใกล้ของกุศลจิตวบาสถ้าถามว่าอะไรเราเป็นเหตุใกล้ของโยนิโสมนัสิการก็คือการฟังพระสัตรธรรมบ่งบอกว่าเผยแผ่คําสอนของพระผู้มีภาคเจ้าที่เป็นไปกับพระไตรปิฎกอัจฉริยะและดีการสรุปลงก็คือว่าคำสอนของพระบรมศาสดานีรร่แหละแต่ถ้าตัวพระสัตรธรรมจริงๆมีสิประการใช่ไหม มรคสโสดาปฏิมรคสะกาธาคามีมรคอนาคามรคามาอาราธมรคผล4ีโสดาปฏิผลสะกาธาคามีผลอนาคามผลอาราธผลแล้วพระนิพพานหนึ่งเป็น9แล้วก็พระปริยัติธรรมหมายถึงพระธรรมคําำคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาที่ออกจากพระโอษของพระบรมศาสดาเป็นต้นตรงนี้ถึงบอกว่ากรณีอย่างการที่จากนอกการฟังพระสัตธรรมนี่แหละเป็นปัจจัยเกิดโยนิโสมรรสิการ ถามว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เราได้ฟังพระสัตธรรมเพราะการครบพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าจึงได้เป็นเรื่อคบสัตบุรุษสัปพปริสังเสวะนี่แหละการครบสัตบุรุษแล้วอะไรล่ะเป็นปัจจัยให้มีสัตให้สัตบุรุษก็บอกถิ่นที่เหมาะสมถิ่นที่มีพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยถิ่นที่เหมาะสมก็คือว่าอย่างถ้าพระบรมศาสดาบัตเกิดขึ้นมาลักษณะอย่างนั้นที่ตรงนั้นที่เหมาะสม ถ้ายัางในประเทศไทยเนี่ยถ้าถามว่าตรงไหนเหมาะสมดูที่ว่ามีบัณฑิตอยู่หรือไม่ที่กล่าวพระธรรมคำสอนถูกต้องตามอัธยพยัญชนะได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยนะถ้าในกรณีงั้นนะใช่เนี่ ย, ยก็เป็นสถานที่ที่เหมาะที่เป็นประเทศที่เหมาะสมแล้วปัจจัยอะไรที่ทําให้อยู่ในประเทศที่เหมาะสมท่านบอกปุเพกต๊ปุญญาตาการทําบุญมาดีในพางก่อนใช่ไหมถ้าสาวไปต่อไปก็คือว่าอัตตาสัมมาปณิทิการตั้งตนไว้ชอบ คือตั้งสัมมาทิฏฐิสรุปก็คือว่าเหตุผลก็คือตั้งสัมมาทิฏฐิมาอัตตสัมมาปณิธิเป็นปัจจัยให้มีปุเพกขปุญญาตาคือบุญกเก่าปุเพกตปุญญตาก็เลยเป็นปัจจัยให้ได้อยู่ในถินนถ่นที่เหมาะสมอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมก็เลยเป็นปัจจัยให้มีสัตว์บุรุษมีพระเจ้าสาวกของพระเจ้าผู้รู้พระธรรมได้อย่างแท้จริงสัตว์บุรุษก็เลยท่านก็กล่าวพระธรรมมังไงกล่าวพระสัตธรรม พระสัตธรรมก็เลยเป็นปัจัยเกิดอะไรโยนิโสมนสิการโยนิโสมนัสิการก็เลยเป็นปัจจัยเกิดกุศลจิตตุบาทที่เกิดขึ้นจากการฟังพระธรรมตรงนี้ก็ต้องมาวัดกันยังไงว่าในขณะที่เราท่านทั้งหลายกําลังฟังพระธรรม เ, ออเราจะสามารถที่จะปรุงแต่งทําให้กุศลจิตตุบาทคือกุศลจิตที่มีศรัทธาเป็นประธานเกิดได้ไหมถ้ากุศลจิตที่เกิดขึ้นโดยมีศรัทธาเป็นประธานมีการปารถตั้งมั่น เลื่อมใสไม่วันไหวในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าาำว่าตัวศรัทธานั้นเป็นตัวแก้วมณีก็ทำน้ำใช่ไหมที่แก้วมณีจุ่มลงไปนั้น น, นนะทำให้น้ำให้ใสด้วยแล้วก็ทำให้จอกแหนฝุ่นละอองทั้งหลายที่อยู่ในน้ำนนกระจายหายไปด้วยน้ำก็ใสแม้ฉันใดถ้าจิตนั้นมีศรัทธา สภาวะธรรมทั้งหลายที่เกิดกับในจิตก็พลอยผ่องใสไปด้วยมีอะไรอ่ะสภาพผัสสะที่กระทบอารมณ์ก็ผ่องใสเวทนาที่เสวยรสของพุทธคุณบริโภครสของพุทธคุณก็ผ่องใสสัญญาที่จำรสของพุทธคุณก็ผ่องใสกรณีที่เจตนาธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนอยู่ในนั้นก็ผ่องใสกรณีธรรมชาติที่ปรุงแต่งเนี่นะเจตนาธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนก็ผ่องใสวิตก ยกสัมยุต ธ, ธรรมก็ผ่องใสวิจารณเคล้าครึงในอารมณ์กล่าวคือคุณของพุทธเจ้าก็ผ่องใสอธิมโมกก็ตัดสินใจที่จะเชื่ออย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวแล้วเชื่ อ, อยังถูกต้องด้วยอันนั้นก็ผ่องใสแล้วก็ฉันทะก็ปรารถนาคุณของพุทธเจ้าในอารมณ์นั้นก็ผ่องใสแล้วสภาพของศรัทธาสติใช่ไหมก็ระลึกในคุณของพุทธเจ้าฮิริขก็มีความละอายต่อบาป โอตาปะก็เกรงกลัวต่อบาปความไม่โลภก็จะเกิดขึ้นในกระแสใจนะั้นและความไม่โกรธก็จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยก็จะเกิดขึ้นในกระแสใจของเราท่านทั้งหลายท่านบอกว่าสภาพที่ผ่องใสมันเกิดขึ้นโดยการปารบคุณของพระบรมศาสดาก็เกิดขึ้นจากการฟังพระสัตธรรมฉะนั้นสภาพใจที่ผ่องใสนะท่านเรียกว่าปราโมดเป็นปีติย่างอนทีนี้ปลาโมดเมื่อมีกําลังมากขึ้นแล้วจะเป็นปัจจัยเกิดปีติ ถ้าปีติเนี่ยเป็นสภาวะที่มีความแรงกว่าสภาวะของปราโมด ท, ทีนี้ถ้าหากปีตินั้นพัฒนาจนถึงความแก่กล้าใช่ถือตั้งคันได้แล้วสามารถที่จะไม่แทงซะก่อนเนี่ยนะตั้งคันได้แล้วเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยปีตินั้นก็สามารถพัฒนาสามารถคลอดออกจากปีติได้ประสบความสุขได้อย่างแท้จริงมเพราะปีติเป็นปัจจัยเกิดปัจสธิปัจสถาคือความสงบก็จะเกิดขึ้น สถาก็จะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นไปตามแบบนี้ส่วนจริงก็เข้าถึงความสุขสุขนั่นแหละเป็นประทาฐานของสมาธิเห็นไหมพอสมาธิในจึงจะมาเป็นปัจจัยเกิดปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงก็จะเป็นปัจจัยเกิดนิพพิทาคือเบือเบ่อหนาเบื่อหนายอะไรเบื่อหนายตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นไปในสังสารวัฏก็จะเริ่มเข้าสู่ทางมชิมาปฏิปทาใช่ไหม เข้าสู่ทางของอริยมรรสิกขาสามก็เริ่มเดินเครื่องบริบูรณ์แล้วทีเนี้ยศีล ส, สมาธิปัญญาก็เริ่มชัดเจนแล้วเพราะว่าศีลก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวสมาธิก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวปัญญาก็ชัดเจนระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาอย่างตั้งมัน่นสามารถร ะ, ะลึกได้ยาวระลึกได้นานด้วยนะไม่เหมือนคนปุงสั้นใช่ไหมระลึกได้สำหรับเดี๋ยวก็เรื่องโน้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้ใช่ไหม แตส่สติที่เกิดขึ้นในการระลึกคุณของพระบรมศาสดาเนี่ยสตินั้นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งก็เรียกรักษาอารมณ์ด้วยนะไม่ลอยไปเหมือนกับว่าหินใช่ไมไม่เหมือนกับลูกน้ำเต้าลูกน้ำเต้ามันก็จะลอยแขวงว้างไปทั่วใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าสติปาราบระลึกอยู่ในอารมณ์กล่าคือคุณของพระบรมศาสดาแล้วเนี่ยสตินั้นก็จะเหมือนล็อกอารมณ์นั้นไว้รักษาอารมณ์นั้นด้วย แท้จริงสตินั้นรักษาธรรมที่เกิดพร้อมกับตนอยูอ่ไหมแล้วก็ชื่อว่ารักษาอารมณ์นั้นเว้ไม่ให้อารมณ์นั้นลอยหายไปจากใจเราท่านทั้งหลายที่ปารภคุณของพระบรมศาสดาปารภไม่ได้พระคุณของพระบรมศาสดาก็หายเลือนไปแล้วลอยหายไปแล้วใช่ไหมอย่าว่าแต่ระลึกอย่างอื่นเลยระลึกถึงกุศลระลึกถึงอะไรต่างๆก็จะเลือนหายได้ง่ายมากนั้นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติไม่มั่นคงเขาเรียกว่า ส, สตินซีไม่แข็งแรงใช่แต่ถ้าคนที่ปรารบหรือเจริญพุทธานุสติเนี่ยเขาจะแข็งแรงมากเนี่ยเขาเรียกว่าศีลสมาธิตั้งมัน่นแล้วชั้นปัญญาปัญญาที่เข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้อย่างว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นไปในสั ง, ส, งสารวัตเนี่ยโอ้เป็นทุกมากทุกวันนี้เราต้องมานั่งบริหารตาหูจมูกลิ้นกายใจตั้งแต่เด็กๆ เ, เลยใช่ แล้วก็เอาแล้วมันต อ, ตอนนี้มันก็เริ่มพิคนพิการเลยสารพัดเนี่ยที่สุดจริงๆก็ไปจบลงที่จุดติขณะคือตายแล้วก็ไปยกตาหูจมูกเล่นกายใจขึ้นมาใหม่ในขณะปฏิสนธิแล้วก็บริหารตาหูจมูกเล่นกายใจเราเนี่ยออกจากตาหูจมูกเล่นกายใจไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะดวงตาคือปัญญามันไม่เกิดถ้าดวงตาปัญญาคือไม่เกิดก็คือมันมืดใช่ไหมมืดก็คือมืดสนิทด้วยก็แปลว่าบอดใช่ไหมเหมือนคําว่าอันทะ อันทาสภาวะคือไม่สามารถที่จะมองเห็นสภาวะทั้งสภาวะลักษณะและสามัญยลักษณะคือสภาวะตัวของเขาก็ไม่รู้อย่างยกตัวยอย่างเช่นเราไม่รู้เลยอะ่ะว่า อ, อ, อย่างเช่นจิตเนี่ยลักษณะเป็นยังไงลักษณะของจิตของเขาเป็นยังไงแล้วการงานกิตงาจิตของจิตการงานของจิตเราก็ไม่รู้ผลปรากฏของจิตก็ไม่ทราบเหตุใกล้ของจิตก็ไม่รู้เหตุไกลของจิตก็ไม่รู้เนี่ย อย่างนี้ก็เรียกว่าทางไม่ตลอดเขาเรียกมันไม่มีตาคือปัญญาเข้าไปเจาะทะลุทะลวงบางทีบอกเอาให้ดูจิตตัวเองนะถามว่าไม่รู้เลยวันนี้จิตโลภเป็นยังไงนะจิตกโกรธเป็นยังไงจิตหลงเป็นยังไงจิตมีศรัทธาเป็นอย่างนี้จิตมีปัญญาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็แยกไม่ออกอันนี้เป็นจิตวางเฉยนะนี่จิตเป็นโสมนัตนะนี่จิตเป็นโทมนัตินะแยกไม่ชัดเลยเหตุผลก็คือว่าตาคือปัญญามันไม่เกิด ฉะนั้นกรณีที่ตาคือปัญญาที่ไม่เกิดนี่แหละก็เลยแยกแยะไม่ค่อยออกฉะนั้นให้สังเกตว่าพอกุศลจีโบาตเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นปัจจัยเกิดปลาโมดปีติปัปสธิความสุขสมาธิญถาภูฏายา น, นัทสนานิพิธาคือความเบื่อหน่ายวิราคาคลายกำหนัดลักษณะอย่างเงี้ยก็จะเป็นไปตามลําดับในสื่อจริงๆก็สามารถที่จะเข้าถึงอนุปาทาปรินิพานได้ด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นคูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีแม้แต่พระอรหนันตตาเจ้าทั้งหลายที่ทําปฐมสังคายนานะ เวลาที่ท่านจะทำร้อยกองพระธรรมวินัยต่างๆท่านก็จะต้องนอบน้อมพระพุทธเจ้านะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพวกใดจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเห็นไหมแล้วท่านก็พลานาถ้าอย่างในเนี้ยในสมันตะปาสาธิการเนี่ยท่านก็จะกล่าวนอบน้อมบอกว่าโยกาปโกติปีอาปเมยังกาลังกาโรนโตอะติดุกราณี เคดังกัโตโลกหิตายนาโทนโมมหากรุณิคัสตาสาอสัมบุตทังบุทธนิเสวิตังยังบวาภวังคัจจติชีวโลโกนโมอวิชชาธิกิเรสสัชาฌา วิทังสิโนธรรมมวรสตาต า, าคุเนหิโยสีรสมาธิปัญญาวิมุตติญาณัประปุติยุตโตเขตังชนะนังกุสราธิกานังตมริยสังฆงเิราสานามามีข้าพเจ้าขอนมัสการแด่พระโลกนาฏพระองค์นั้น พระบรมศาสดานะมีนามว่าพระโลกนาฏนาถะนั้นแปลว่าเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดามารพรมทั้งหลายแม้แต่นาคคนทันครุฑต่างๆเลยฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปในสังสารวัฏทั้งหลายเนี่ยสัตว์เหล่านั้นน่ได้พระโลกนาฏคือผู้นาโลกอย่างพระบรมศาสดานี่แหละสัตว์เหล่านั้นจึงสามารถออกจาก สังสารวัตได้เราท่านทั้งหลายเนี่ยตัวสังสารวัตเนี่ยมันเป็นตัวคุกมันเป็นตัววัตตะเราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินออกจากคุกไม่สามารถที่จะเดินออกจากวัตตะไม่สามารถที่จะเดินออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ไม่ว่าจะไปในพบไหนภูมิไหนเราไม่มีที่หลบภัยเราไม่มีที่ซ่อนเล่นนะเราไม่มีที่กำบังเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะไม่มีที่พึ่งอย่างแท้จริง แล้วเราเนี่ยไปยึดถือสาระที่ไม่ใช่สาระที่แท้จริงมาอย่างยาวนานแล้วในสังสารวัตที่ผ่านมาท่านใช้คำว่านานาัตุอุโลกันนะภพ่ในการที่เที่ยวมองหาศาสดาเห็นหน้ามองศาสดาอยู่ลาในสังสารวัตที่ผ่านมานั้นน่ะสิ่งที่เราไม่เคยนับถือไม่มีเลยลองมาพิจารณาดูเถอะเราเคยอ้อนวอนกราบไหว้ศาสดาสารพัสศาสดามาแล้ว เห็นไหมว่าในที่สุดจริงๆเราท่านทั้งหลายก็ออกจากตาหูจมูกเลนกายใจไม่ได้แต่มาในสังสารวัตรมาในปัจจุบันเนี่ยเราได้พระโลกนาถพระองค์ในก็หมายถึงได้พระบรมศาสดาเนี่ยเป็นที่พึ่งคําว่าเป็นที่พึ่งในที่นั้นก็ว่าเป็นเครื่องกําจัดภัยคําว่าสารณะสารณะคํานั้นน่ยก็แปลว่าเป็นเครื่องกําจัดภัยภัยคืออะไรชาติภัยภัยคือการเกริดชาราภัยนะภัยคือความแก่พยาธิภัยนะภัยคือความเจ็บไข้ มราณาภัยก็คือภัยคือความตายความโศกความลำเลย์ลาพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้จัดว่าเป็นภัยใหญ่เราะั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยถูกกระแสของภัยใหญ่ในโถมทับแล้วไม่ใช่เป็นภัยอย่างเดียวนะเป็นไฟเผาด้วยไฟคือราคะภายในก็เผาใช่ไหมไฟคือโทสะภายในก็เผาไฟคือโมหะภายในก็เผา ลองไล่กิเลสไปทุกตัวเลยเผารนเราหมดนี่ไม่เคยเกิดในกระแสขันนี้ไม่เคยไม่เคยมาเผากระแสกันนี้ไม่มีเลยโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิช้าหิริกาโนดะบาอุทะจะเต็มกระแสใจไปหมดเลยแปลว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือไฟเผารนกระแสใจของสัตว์อยู่ตลอดเวลานะเราถูกไฟคือราคะไฟคือโทสะความโกรธก็เผาความยินดีเพื่อเพลินก็เผาความหลงก็เผลนก็เผา ความเย่อหยิ่งถือตัวกระเผามานะเนี่ยนะทิฏฐิความเห็นผิดกระเผาความฟุ้งซ่านลำคาญใจกระเผาใช่ไหมฮะความเห็นผิดก ร, เรกะเผาเผากระแสใจของสัตว์อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ทราบว่าเป็นไฟเผาไงสัตว์ทั้งหลายก็เที่ยวกระเสือกระซอนไป ถึงบอกว่าในคําสอนของพ่อปรมศาสดาเนี่ยเดี๋ยวเราศึกษาไปตามลําดับเราจะรู้ว่าพ่อปรมศาสดาเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจที่มุ่งมั่นมากขนาดท่านตั้งอัธยาศัยบาเพ็ญเพียรนะบำเพ็ญทุกขลักขีญนะตอนนั้นจนกระแสใจจะดับอยู่แล้วจุติจิตจะเกิดอยู่แล้วร่างกายจนเหลือจะเป็นจะแหลกเป็นผืนผงใช่ไหมบอกว่าเนื้อเอ็นกระดูกจะเหลือแต่นหนังเอ็นกระดูกก็ตามที่จะเหลือแต่ เนื้อเอหนังกับเอ็กระดูกเนื้อมันก็หายใช่ไหมเนื้อและเลือดจงเหือดแห้งหายไปเถิดแม้จะเหลือแต่หนังเอ็กระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาแล้วจกไม่ลุกจากบัลลังก์นี้เอาสิเรามาพิจารณาดูที่ว่าเรา เ, เคยมีความรู้สึกไหมว่าเราจะตั้งความเพียรในการที่จะเดินตามพระธรรมคาสอนของพระบรมศา ส, สดาบอกว่า เนื้อเลือดเนื้ อ, อ, อมันจะค่อยๆ ย, ยุบลงยุบลงยุบลงไม่เป็นไรเลือดมันจะค่อยเหือดแห้งหายไปจากสรีระไม่ไม่เป็นไรเหลือหนังเหลือเอ็นเหลือกระดูกไม่เป็นไรท่านโดยความหมายคืออะไรเหมือนมานไปกระซิบ ท, ท่านบอกว่าดูก่อนสิตตาดูก่อนมหาบุรุษท่านจะเพียนไปทําไมความเพียนของท่านก็ไร้ผลทําไมท่านไม่มาเจริญกุศล ท่านสร้างบุญมาเยอะเนี่ยทั้งทานบา ร, รมีศีลเนกรรมปัญญาวิริยะคันติสัจจาทิฏฐานเมตตาและเบขาสร้างอุ ป, ป, ปอบปราบ ร, รมีอีกสปรมิทธบารมีอีกสิมาในสังสารวัฏอย่างยาวนานแล้วชื่อว่าสิ่งที่ท่านไม่เคยทําไม่มีไม่ใช่หรือก็ท่านทําบุญมาขนาดนี้แล้วทําไมท่านต้องตัดสู้หนีบุญด้วยเรารอรับเสวยผลบุญสิ้นท่านจะออกมาบูชาไฟก็ได้จะออกมาเสวยวิบาก ของบุญอีกมากมายการมคุณก็เยอะท่านจะอยู่อย่างสะดวกสบายทำไมไม่อยู่ท่านตวาดมานนะท่านบอกว่าดูก่อนมานผู้ใจบาปผู้เป็นเผ่าพันธ์ของคนประมาทคำว่าเผ่าพันธ์ของคนประมาทคืออะไรคนที่อยู่สักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันๆเกาเรียกว่าคนประมาทใช่ไมคือมีลมหายใจสักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นแหละ ไม่ทำกิจในการที่จะบำเพ็ญทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเผ่าพันธ์ของมารเป็นญาติของมารเป็นบริวารของมารเนะพระองค์ก็บอกดูก่อนมารผู้เป็นเผ่าพันธ์ของคนประมาทก็คือผู้เป็นนั่นแหละต้นตอของคนประมาททั้งหลายท่านทำไมไม่ไปบอกกับคนที่เขาต้องการบุญนูท่านก็ไปบอกกับคนที่เขาต้องการบุญนูนิเราไม่ต้องการแล้วแม้ผลของบุญอย่าว่าแต่ บ, บาปเลย คือเราต้องการที่จะตัดกระแสของบุญและบาปอะ่ะคือต้องการจะตัดวะตฏะคือต้องการจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมนี่มากรก็ะยับอีกบอกว่าปัจจัยที่จะทําให้ท่านตายเนี่ยเป็นพันส่วนนะเป็นหมื่นส่วนนะเป็นแสนส่วนนะเป็นล้านส่วนนะแต่ทางรอดของท่านอะ่ะมันไม่มีอะ่ะทางรอดนะมองก็ไม่เห็นแล้วถ้าท่านเบลเพียนเพียนขนาดเนี้ยมันไม่มีทางรอดแน่ท่านตอบมารยังไง บอกดูก่อนมารผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของคนประมาณบอกว่าอันนี้เป็นสถานการณ์ของการลบพุ่งกับกิเลสสมารแล้วก็ใช่ไหมลบพุ่งกับอะไรลบพุ่งกับกิเลสสมารมารคือกิเลสใช่ไหมลบพุ่งกับอภิสังขารลมารมารคือเจตนาที่เป็นบุญเจตนาที่เป็นบาปเจตนาที่เป็นอนเนชชะที่จะให้ผลในอรมุปคบเนะื เราต้องการหักกําแห่งสังสาระักที่ไม่ต้องการไปสู่ในสามสิบเอ็ดพบอีกแล้วอันนี้เป็นสถานการณ์ในการรบเหม่และเราต้องการที่จะเราไม่ต้องการที่จะเป็นทาสของขันธมารเราไม่ต้องการแบกตาหูจหมกูกลิ้นกายใจวิ่งท่องเที่ยวไปในสังสา ร, รวัฏอีกแล้วเราไม่ต้องการยูในใต้อํานาจของมัจจุร مان มารคือจะต้องตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกไม่รู้จกักจบสุดสิ้นและเราไม่ต้องการเป็น ธาตของท่านไงคือเทวปุตมานไงเราต้องการชนะมารทั้ง5้าเราไม่ใช่ต้องการเป็นทาตของมารเราไม่ต้องการให้ท่านมาจิกหัวเราใช่เช่นเราอยากจะกินท่านก็จิกหัวเราก็งอกงอไปหาอาหารกินแล้วอยากจะไปดูอะไรมันก็เที่ยวคอนโทรลเราไปแล้วเราก็ถูกไอตัวกิเลสคอนโทรลเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอยากจะไปดูนู้นอยากจะไปเที่ยวนู้นอยากจะไปดูหนังอยากจะดูละครอยากไปทําอะไรต่างๆท่านบอกว่า เราไม่ทำแล้วกรณีที่จะเป็นาธาตของมารแบบนี้เป็นาธาตของกิเลสท่านบอกว่าเราจะสู้เราจะสู้กับพญา ม, มารเนี่ยท่านพูดยังไงท่านบอกว่า้าตายเสียในระหว่างสงครามเนี่ยนะในระหว่างที่ต่อสู้กับกิเลสมารเนี่ยดีอย่างการอยู่อย่างผู้แพ้ถ้าอยู่อย่างผู้แพ้จะประเสริฐอะไรอยู่แล้วก็แพ้กิเลสแล้วเป็นาธาตของกิเลส อะไชาติไหนเจ้าไหนก็รับใช้เอาที่ไปแต่งงานสิเอาที่ไปมีลูกสิเอาที่ไปมีสามีไปมีลูกไปมีทรัพย์ไปมีบ้านไปมีที่ดินมีเบ็ดเสร็จก็ไปทําบาปเบ็ดเสร็จก็ไปตายไปก็ไปตกนรกก็ท่านใช้เราเนี่ยบังคับเรากดขี่เรามานานแล้วในสังสารวัตร ต่อไปเราจะไม่เป็นทาสของท่านแล้วเราต้องการจะประกาศความเป็นอิสระฉะนั้นถ้ามันจะตายเราตายมาเยอะแล้วแต่เราขอตายในฐ า, านะอยู่ที่ตายในสงครามแห่งการลบพุ่งไอ้ตรงนี้ก็เป็นข้อคิดว่าเราเนี่ยอุตสาหเกิดมาพบาศาสนาของพระบรมศาสดาที่ประเสริฐแล้วใช่ไหมถ้าจะตายก็ขอตายอยู่ในทางของทานกุศลศีลกุศลและภาวนาวกุศลเนี่ยจะไม่ได้ตายในจิตที่มีกิเลสแต่อย่างนั้นแปลว่าเราลบแพ้ ถ้าตายด้วยจิตที่มีกิเลสแล้วก็ไปอบายทุกขติวินิบาดนรกใช่ไหมก็ถือว่ารบแพ้ถึงแม้ว่าเรายังไม่ชนะก็ชื่อว่าในระหว่างที่อยู่ในสงครามรบเราก็ไม่เพียงพลัมใช่ไม่ใช่ถ้าเราไปตายตอนที่มีราคะเกิดมีโทสะเกิดมีโมหะเกิดมีมานะเกิดมีทิฏฐิเกิดมีวิจิกริชฌาเกิดมีอหิริกะไม่ละลายต่อบาปอโนตตปะไม่เกรงกลัวต่อบาปมีอุทธจฉามีความฟุ้งซ่าน ตายในขณะนั้นขึ้นมาแล้วก็อบายก็ลงไปเกิดเป็นอเวในเวจีไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรากายไม่ไม่ได้เรื่องก็เลือกตายอย่างผู้แพ้ไงนั้นถ้าเราจะลบกากิเลสจะไม่จะต่อสู้กับกิเลสเนี่ยก็ต้องต่อสู้แบบชนิดที่ว่าให้ใจเราเป็นไปกับกุศลถ้าตายก็เชื่อว่าเรายังไม่ชนะชาตินี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเราได้ฝังกระแสของศีลสมาธิปัญญาไว้แน่นแล้วในกระแสใจท่านทั้งหลาย อัธยาศัยตรงนี้ในที่สุดจริงๆท่านทั้งหลายก็ได้ดีใช่ไหมยะก็ดูอย่างพระสาวกของพระบระมา ศ, าศาสดาที่บางองค์เนี่ยแสนกับหมื่นกับพันกับท่านกับบำเพญ็ญเพียรกันมาอย่างสาหัสกันดังนั้นไม่มีการไม่มีการชนะไหนที่ไม่ใช้ความเพียร น, นะโดยเฉพาะที่จะลบพุ่งกับกิเลสคือราคะโทสะโมหะที่มันเผาใจเราท่านทั้งหลายมาอย่างยาวไกลแล้ว ฉะนั้นในกรณีในลักษณะอย่างนี้ถ้ามาพิจารณาอย่างเนี้เราจะได้เข้าใจชัดว่าไม่ใช่สถานการณ์ปกติมันเป็นสถานการณ์ที่เราแพ้มานานแล้วแล้วเราก็กลายเป็นผู้ที่อยู่อย่างผู้แพ้ก็คืออยู่เป็นทาสเราเนี่ยลุกขึ้นมาประกาศว่าขอเป็นทาสพระบรมศาสดาทาสของพระธรรมทาสของบาริสง์พระพุทธเจ้าพระธระมรมบาริสง์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองใช่ไหม เพื่อนมันเพื่อนมัสการความตัดสรูปดีของพระผู้มีพระเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมการประพฤติปฏิบัติดีของภริยสงน์อันนั้นคือปณิธานที่สาวกของพระบรมศาสดาที่ท่านตั้งกันเขาไว้ใช่ไหมแล้วเรามาตั้งไว้ไหมถ้าไม่ตั้งไว้เราก็ไม่กล้าที่จะเดินออกจากกิเลส น, นะราคาโทวสาม อ, อะมันก็เลยอยูอย่างระบบเหมือนปณีป น, นอมได้ที่ไหนได้มันก็กดขีเราอยู่ตลอดด้วยล่ มันใช้เรามาจนร่างกายจะผุพังหมดแล้วตาก็แทบจะบอดหูก็แทบจะโหนกกินอาหารจนฟันจะหลุดปากกันอยู่เพราะกินพวก ก, กิเลสกันมาเยอะแยะเบ็ดเสร็จหายใจเข้าหายใจออกที่กิเลสมันอาศัยอยู่เขเล่นจนจมูกนี่มงกลจะเป็นไซนัตไม่รู้จะบางทีเขามาเ็งจมูกไม่รู้กี่กี่โคงจมูกแล้วในสังสารวัตที่ผ่านมาเราทดใช้เราทํางานให้กับกิเลสเนี่ยร่างกายของเราเนี่แตกดับไปแตกดับไปแตกดับไปเนี่ยนะ พระบรมศาสดาบอกว่ากระดูกของเราท่านทั้งหลายถ้าแค่กับเดียวที่เราเกิดมานี่นะถ้าจะมากองกองกองถ้ามันไม่ผุไม่พังเนี่ยนะสูงกว่าภูเขาเขาใหญ่ที่ประเทศไทยเนี่ยกองกระดูกคนหนึ่งคนเนี่ยสูงกว่านะั้นหนึ่งกับเนี่ยเฮะยในสังสารวัตที่ผ่านมาเราไม่เคยเกิดเป็นอะไรไม่มีเลยลองคิดดูดิเราไม่เคยเกิดเป็นอะไรไม่มีเลยสิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่เราเคยเป็ น, นสิ่งที่เราเคยเป็น หมายถึงสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเนี่ยนะถามว่าเราจะเข้าใจตรงนี้ไหมเนี่ยฉะนั้นตรงนี้ทำไมท่านเหล่านั้นจึงพยายามข้าพเจ้าข อ, อนมัสการแด่พระนาถาพระองค์ใดผู้ประกอบไปด้วยพระมหากรุณา